หัวข้อพิเศษทุกในอริยสัจแยกให้ชัดจากทุกในไตรลักษณ์ข้อขอไตรลักษณ์มีสามไม่ใช่แค่ทุกและทั้งสามเป็นฐานของทุกในอริยสัจได้บอกแล้วว่าทุกในไตรลักษณ์คือลักษณะหรืออาการที่ปัจจัยต่างๆขัดแย้งกันกดอัดบีบคั้นทำให้คงทนอยู่ไม่ได้นั้น เป็นสภาพของสังขารคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ปุตุชนคนทั่วไปจะรู้จักเข้าใจได้หรือพูดอีกสำนวนหนึ่งโดยใช้คำที่แทนกันได้ว่าเป็นสภาวะตามธรรมดาแห่งธรรมชาติของขันทั้งห้าถึงแม้ว่าทุกคือภาวะกดดันขัดแย้งบีบคั้นที่ว่านี้จะมีอยู่เป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติแต่ตัวคนเองหมดทั้งชีวิตและสิ่งที่คนเกี่ยวข้องในการเป็นอยู่ทุกอย่าง ก็คือสังขารหรือขันห้าทั้งนั้นถ้าคนไม่รู้เข้าใจปฏิบัติต่อมันไม่แยบคายก็จะกลายเป็นว่าคนนั่นแหละจะเกิดภาวะกดดันบีบคั้นทนไม่ได้ขึ้นมากับตัวเองซึ่งก็คือทุกข์แต่เป็นทุกข์ของคนเป็นทุกข์ในอริยสัว์เป็นของจริงขึ้นมาในตัวคนทั้งที่ไม่มีจริงในธรรมดาของธรรมชาติทีนี้ที่ว่าขันทั้งห้า หรือประดาสังขารเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์นี้ความจริงก็เป็นวิธีพูดให้สะดวกเท่านั้นถ้าจะพูดให้ถูกจริงก็ควรจะว่าเป็นทุกข์ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งในลักษณะสามที่เรียกว่าไตรลักษณ์และลักษณะสามนั้นก็คือเป็นอนิจจาไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วก็สลายหายไปเป็นทุกขามีปัจจัยที่ก่อที่เกี่ยวขัดแย้งบีบคั้นคงสภาพอยู่ไม่ได้และเป็นอนัตตา มีสภาวะของมันที่ปรากฏตามความเป็นไปของเหตุปัจจัยไม่เป็นไม่มีตัวตนหรือตัวการพิเศษที่ไหนจะมาแทรกแซงครอบครองเป็นเจ้าของควบคุมบังคับบัญชาให้เป็นอย่างอื่นไปได้จะพูดให้จาง่ายก็ได้ว่าไม่คงที่ไม่คงทนและไม่คงตัวนี่ก็หมายความว่าที่ว่าเป็นทุกข์นั้นยังพูดแค่ลักษณะเดียวที่จริงขันห้าหรือเบญจขันหรือสัพปสังขาร น, นั้น ไม่ใช่แค่เป็นทุกข์เท่านั้นแต่เป็นอนิจจาเป็นทุกขาและเป็นอนัตตาแล้วที่จากไตรลักษ์ไปเกิดเป็นทุกข์ในอริยสัตรร์ก็ไม่ใช่แค่จากทุกข์ในไตรลักษ์ไปเป็นทุกข์ในอริยสัต์แต่ที่จริงคือจากไตรลักษ์ครบทั้งสามอนิจจาทุกขาและอนัตตาไปเป็นตัวตั้งให้คนที่รู้ไม่ทันมันก็เป็นทุกข์ในอริยสั์ขึ้นมานั่นแง่หนึ่งแล้วว่า สังขารหรือเบญจขันธ์ซึ่งรวมคนหมดตัวแล้วทั้งกายและใจเป็นอนิจจาทุกขาและอนัตตาเป็นไตรลักษ์ครบทั้งสามเป็นเรื่องของสภาวะตามธรรมดาของธรรมชาติทั้งนั้นไม่ต้องมีตัวคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นจึงยังไม่มาเข้าในเรื่องของอริยสัจทั้งที่ทุกขหรือทุกขาก็มีอยู่ในไตรลักษ์ก็ถามต่อไปว่า และเมื่ อ, อไรล่ะเบนจะขันหรือขันห้าจึงจะมาเป็นทุกข์ในอริยสัจก็ตอบว่าเมื่อมันกลายเป็นเบนจะอุปาทานขันหรือเป็นอุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าคืออะไรก็คือขันห้าที่มีอุปาทานยึดถือยึดครองท่านใช้คำแบบทางการว่าประกอบด้วยอาสวะเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน จะว่าขันห้าที่เกิดจากอุปาทานเป็นที่วุ่นวายของอุปาทานหรือที่รับใช้อุปาทานก็ได้ทั้งนั้นเป็นเรื่องของอวิชชาตันหาอุปาทานอันนี้แหละคือทุกที่เป็นข้อหนึ่งในอริยสัจสี่เมื่อได้ความเข้าใจเป็นพื้นฐานที่จะมองแล้วก็มาศึกษาพุทธพจน์ที่ตรัสในเรื่องนี้เริ่มตั้งแต่ดูความแตกต่างระหว่างขันห้ากับอุปาทานขันห้า เคยแสดงในบทว่าด้วยขันห้าแล้วขอยุคมาดูอีกครั้งหนึ่งดังนี้ได้ปันจะขันทสูตรสั่งยุตินิกายขันทวารวักพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงขันห้าและอุปาทานขันห้าเธอทั้งหลายจงฟังขันห้าเป็นชะไหนรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณอันใดอันหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบก็ตามและะเอียดก็ตามสามก็ตามพระณีตก็ตามใกลหรือใกล้ก็ตามเหล่านี้เรียกว่าขันห้าอุปาทานขันห้าเป็นฉไฉไรรูปเวทนา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 ถ้าสังเกตจะเห็นว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงไตรลักษณ์จะตรัสเป็นประจำว่าขันห้าเป็นอนิจจาเป็นทุกขาเป็นอนัตตาเพราะเป็นเรื่องความจริงของสภาวะตามธรรมดาในธรรมชาติว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่ตรัสว่าอุปาทานขันห้าเป็นอนิจจาเป็นทุกขาเป็นอนัตตา เพราะรวมอยู่แล้วในขันห้าที่ตรัสนั้นไม่ต้องตรัสต่างหากเพียงแต่ว่าใครไปยึดขันห้าที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตนั้นเข้าก็กลายเป็นอุปาทานขันห้าเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาตัวอย่างที่ตรัสถึงขันห้าตามหลักไตรลักษณ์ในอนิจจสูตรที่หนึ่งทุกขสูตรที่หนึ่งและอนัตตสูตรที่หนึ่งสังยุตตานิกายขันทวารวัตรพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเป็นอนิจจังภิกษุทั้งหลายรูปปัจจัยบีบคั้นคงสภาพอยู่ไม่ได้เวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายวิญญาณปัจจัยบีบคั้นคงสภาพอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์ ภิกษุทั้งหลายรูปไม่เป็นตัวตนเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายวิญญาณไม่เป็นตัวตนเป็นอนัตตาอาริยสาวกผู้ได้เรียนรู้เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารทั้งหลายแม้ในวิญญาณเมื่อ น, นิพิทาคือหายติดย่อมมิราคะ คือคลายออกเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าสิ้นกำเนิดจบมันคาชีวิตประเสริฐคือพรหมจรรย์เสร็จกรณีไม่มีกิจอื่นอีกเพื่อภาวาที่นี้